สังขารของโยมก็เหมือนกับบ้านที่กำลงังูกพังอีกไม่นานก็จะพังพลายลงมาคงจะอยู่บ้านนี้ได้อีกไม่นานแล้วตอนนี้เราเกิงเดงยมหมอก็ปรยางแระคปกครอง นนะกะรในรูเคือของโยมมีอย่างนี้วคือจิตใจจิตใจที่เป็นบุญจิตใจที่น้อมรุไปในทางที่เป็นกุศลใจของโยมที่เป็นกุศลนี่แนหะที่จะพายโยมหอกจากความทุกข์เวลานี้ได้ โยมกําลังเดินทางไกล น, นะเมื่อวา ผู icana, ้เหลือดิ้นดูพ่อแม่จนท่านอาชีพไม่แล้วก็ยังสมบุญทิพย์ให้ท่านเรียงบเนินใส่ามความดีที่ท่าน Thank you. ตอนนี้ถ้เป็นกุศลความผุดทากายมันก็ทำามโนงไม่ได้ตอนนี้บ้าน ไม่หมนะแเลาต้องเดินทางไกลีย้ยไปด้วยใจที่เบาสบายมีกต่เป็นกุศลนั้นไนมะ่ทิ้งอยา่าไปโหวนมากระทบสังขารร่างกายนี้ต่อไปน พมจะตายด้วยอย่างจะบอกว่ายังไม่แตะไม่พร้อมเพราะว่ายังไม่พันที่ใ็กรรมไม่ได้ทำอะไรเท่าไหร่นะคะคือตามท่านคือตามท่านอาจารย์กแล้วคิดว่าคจริงถ้ามันจะเกิดขึ้นก็ไม่ยืดดูแลตัวเองก็จะปวดใจอาจจะใจสัได้เลยนะครับในตรงนี้คือถติว่าไม่ชม่เดือุกรเวธนาที่แล้วแตก็คิดว่าไม่ไม่ยืดดูแลพร้มที่จะตาย บานมากกามแล้วมก็แล้วโทก็แล้วแล้วไปแล้กับมานบ่านังบ้านบ้านที่เค้นที่เคยมาอยู่น่ร้างมาจกี่่จุดทด่จุี่จุ่จุดที่จุดที่จุ่ดีจที่จด มันก็ผ่านได้ไม่มีอะไรไหอะไรมีปะตาดอสมองตีนไม่มีอะไรอันไหนจะพูดยกมือขัเดียสอหมครับคุณดินนะครับ้นนะครับนไปก ไปไิเพ่อนเพ่อแต่ว่าเวลาท่านที่ถือข้อด้มันมีความเป็นนักท้าเปลีโยนอารมณ์ใหเขาบอกเออพ่อแม่เราไม่เหมือเดียร์ตเดี๋ยวเวอาเขาตายไปก่แต่ว่าเออแล้วพอท่านอกอะไรได้ก็จะมีท้าเล็อยู่นะเพราะว่าพผู้เชอร์สกมเชอรสซาเองคือจะไปส่เข้อคุณอีกคนซาแต่ก็สามารถใช้ในว่าผู้พเชอร้สา เออแต่ที่รู้ลงตัวได้จริงๆก็คือว่าเป็นหมวกยู่ิดหนึ่งข้ามหมาหอนก็รู้ว่านี่หมายูจัด ก, ก็รู้ว่านี่ยูเออก็เลยลองพยายามไม่ใช่พยายามอะค่ะคืออยู่ที่ตัวแค่สติรู้เฉยๆ น, น, นะคะเสียงท่านพูดก็ไม่เคยเกาะแต่คาพูดของท่านก็จะอยู่ที่ แ่เดี๋ยวรู้ที่ก็แค่ดูสกปรกนะคแล้วก็น่าสนใจไอ้ดูดตัดเนี่ย <c oughs> เพราะว่าเราก็เลยใช้เป็นตัวว่าโอเคมันตัดแล้วก็มาถามให้ไอ้ตัวเวทมานเนี่ยมาถามให้เราโยงตกตายเพราะถ้าบอกว่าเราปล่อยให้เวทนามโยงเราตกตายเนี่ยค ง, งไม่ดีแน่ก็เลยลองดู ก็ลองแค่ร <laughs> ู <kilo break in Elizabeth> ้เรีนาแล้วก็ก็แค่นั้นก็สบายหนุน่แต่ว่าก็เลยไม่ได้เกาะติดกับการของท่านเพราะว่าพอลุกขึ้นค้ามหรือหยุดในทีเลยวนั้เกาบเลยค่ะแต่ว่าก็เป็นเสียงที่ให้ความยืดกยุ่บไว นี่นมาอึงมาคอ่เลาคอเลยมาคอูเลกูมาคออ่เมาอ่เลยมคอ่เมคอับ่ลาครับเมคยอย่เาคอยอยู่ลกูมาคอยอยู่เมค่เนยกาคอยอยู่เาคอยอยู่เมาคอยอาคกูอ่าอยอยู่เลยกูอ่าคอย่กคอยมค่าคยอยู่เคอ่าค่าอยากมคคอคเ่ยค่ ค yeah. yeah. okay. yeah. ือเสียงประจานเนี่ยเหมือนจะบอกว่าอะไรกล่อมไปเฉยกล่อมดีมากๆเลยบอกตรงๆว่าตลักเลย มีความมีความสุขมากเลยค่ะหลาไปแล้วก็รูอ้สึกอย่เมื่อได้เย็นสิ่งบนตัวเองนีกทุกคนเหรอว่าที่เราหลงไปเป็นเรตาแล้วเนี่ยไม่รู้เกขึ้นมื่อไม่รู้เกิดขึ้นหรือว่าส่งมาหลงด้วยเหรไม่ทราบว่าเป็นอะไรหรือเปล่าคือหลับไปเองท่านค่ะเคยต้องยืนสินงที่พูดตอดนะคะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ทราบความหมายแล้วก็อยู่ๆไอ้ตัวนี้เมันก็มันก็หลับไปค่ะมันหลับไป ไปแต่ว่ามาคือตื่นตื่นเมื่ยได้ยินเสียงกรงของตัวเองมันขึ้นมาก็เลยจะตื่นตื่นต้อมาฟังต่อไม่รู้ทำได้จริงไหเด็กมากเลยค่ะน่าจะเป็นแบบผู้หญินจมลสีได้ก็ได้เป็นการตายที่น่าตายค่ะจะเจอท่านต่อไปครับคือเรียนถามท่านนะคะคือคนหนึ่งนั่งเครื่องบินอยู่แล้วเครื่องบินมันดัำมากร็แล้วก็โอ้อคนใจ ถึงเวลาละแล้วก็จิดนนแล้วก็เหมาะไปเลยถึงว่กสานะหรือ่ว่ากลัวเขาก็จะมาเรียกเอาแม่หลอกไปแล้วไม่ยินถามไม่ยินถามท่านอาจารย์นะครับหับอย่างเงี้ยแล้วมันยังไงือว่าหลงกันแนอะไรหลงหลบหลับไปแบบนี้เลยหลบอ็่นูก็ก็หลับไปกอ่อกตอนนั้นอ่าแต่ก็ก็ดูเลย กไม่กลับได้เย็นมากเราสิว่เว่ถ้าเป็นตัวเองนะฮะเขาเยี่ยมเี่ดีกว่าเพราะว่าไม่งั้นกังวลคือคือเคยหลังจากนั้นก็สดที่ที่าทานฝังที่เอ่อตน่จอน้ำที่สงดเนี้ยคือตอนนั้นพบมันเป็นพอรเจกแรกได้เลยคือทั้งๆก็สูย มันเงียบมากเลยแล้วเยอะตัวเองมัานมันเป็นอัวเองเยอเลยอันนี้เขาท่าพูดแล้ก็เลยเอบยไปไม่ถูกการแคต้องคิดตามนี้เหรอแค่คิดตามที่อาจารย์มันบอกไม่ถูกต้นตคิดตามอ่าจะมีอะไรติดอยก็เลยสงบอืมยิ่งแคเป็นสบการจับจับตูดบ้างครับที่แบบคิดว่าเงียกจะดีกว่า เงียบจะดีกว่าไม่ใช่ถึงกับเงียบอะค่ะแต่ว่ามันไม่ไดกับเราอะค่ะเหมือนไมู่เลยเดี๋ยวเรื่องนี้มีเสวยนะที่ชั้นกินเพราะยังเหลือตัวค่ะสํอตลอดดิฉันนะคะต้อกลัดว่าที่ข้าราชการพูดเนี่ยทางไม่เราเห็นเราไม่รู้สึกได้านจริงๆอะค่ะเพราะเรากำลังจะทิ้งบ้านอันนี้ไปแล้วแล้วบ้านนี้มันจะขุกพังแล้วมันอยู่ไม่ได้แล้วคืออันนี้ทำให้ ท่านพูเนี่ยให้เราเห็นเห็นเห็นผีนะะรู้สึกคล้อยตามและยิงไปด้วยถึงคาเจือกแก่ก็คืองมาผ่านที่ดีอาจจะเได้แต่ไอ้เรื่องมนเฉาจริงรนะมันช่วงนี้ใชไหขออีกสองขนสุดท้ายครับเพนครับคือรูองึเป็นห่วงคนที่ เม่รู้ตัเติดแบบนั้นนะคะเพราะว่าคอมพูดเนี่ยมันเหมือนกับคุณก่อนที่คุณยิ่งลูกก็ดีลูกคุณก็ดีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันจะมีกี่คนนะคะแบบคล้ายๆกับครอบครัวที่ที่จะเป็นอย่างนั้นนี่เป็นจริงตามที่ว่าใช่ไหมใช่ก็เลยรู้สึกค่อนข้างเป็นห่วงเพราว่าคนที่จะได้โกอกาสมันจะร้ า, ามนมากเลย ฉัาอาจจะตุกข้าะนุกสินาตก็ก็ไม่ได้ทาอย่างนั้นแล้วแปรีไม่รรางนงต้อง่นต้ไม่มี้ปอย่างนี้ก็นสุดบานบัตนเยถ้าคนคนมมันไม่ได้เป็นาวสงกเงเลยก็มีแอสมต เ, าาเาาราไมเคยคิดในการค่อยเป็นตัวเองมัยจะตายอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าคิดตามคือบางเรื่องตัวเองก็ทําแต่ว่ากลับไปมองกลับไปคิดอีกอย่างการไปตายดีกันเลยนี่ก็เราถึงมาแล้วอันนี้เมื่อวานหรือไม่ใช่ว่าอย่างเงี้ยแล้วก็เออต้องมีใคกเคนเรื่องตายก็ไปเรื่องถึงเุืดีที่ท่านบอกว่าเราต้องไปประเมินก่อนเราต้องรู้จักคนนั้นพอในการมีแบบปัญหาที่ตัวเองจะได้ทํำบาื่น คือคือจริงจริงท่านชีดจิตนาการตัวเองก็เป็นคนจิตนกรไม่ค่อเป่เลยทำาดจะตายไม่่อยเป็นงไม่ตามเมื่อดีการแบบตัวเองแบบสร้างพระสร้างวัดเนี่ยเราก็ไม่ตามแต่อันที่ไม่ใช่ของเราเราก็จำไม่ได้เออเดี๋ยวาจะไปพูดแบบเราก็จะมีลูกะไรเงี้ยคือคือมองไปอีกมุมหนึ่งคือไม่ิงิดผิดเบ็ิดแบบดขนาดนะฮะผู้ให่จิตนากาตัวเองจะตาย แต่ว่าตัวเองตัดเป็นทว่ตัวอืนี่ดีต่างนที่เป็นแบบที่จะไปทำาคนอื่นถ้าได้ถ้าเราต้องไปเยี่ยมไข้คนนี้จะตายอย่งี้มคมันก็คงเป็นแพท่แบบฟ อ, อ, อร์มันึงคือแพทย์หนุงกันทำไมก็ไปอธิบายเพราะเรา <ไป S 2> เอร่ว่้าอะไรกามคนไม่พูดกลับนะคะถ้าเราเห็น สมมติวพ่อเแอาไปเยี่ยมเพื่อนที่เอาคิดว่าลูกเขาดีเนี่ยแล้วแอาไปพูดว่าลูกเขาดีอะไรดีแต่ลึกๆเราไม่รู้ว่าระวังแม่เราไม่รู้ได้เราอาจจะเหลูกเาอบไปอะไรเร็วๆที่เราไม่รู้อันนี้ก็อันตราย ที่เราต้องจัดไงที่ตงนี้เราต้องจัดไม่วายที่ไม่ี่ต้องใสนใจมีสิท่ยนายมีเยรผูอื่นไครับคือคือไม่ได้นอนแต่ว่ากาหนดตามไปแล้วก็อันนตที่ที่ที่คิดว่าได้สําหรับตัวเองชอบอันน้คือพวกเป็นสิมือครงมดแล้วแต่คู้สึเหมองแต่ว่าเขาูดหลานหา เขาอุ่นหน้าตาหาว่ามนร้อนไปคือมาเลยหลวงพ่อชาธุณอาจารย์แต่จริงแล้วอาจารย์เรจริงไปแล้วท่านแขละเสนมี่นะเมื่อกี้เห็นท่านเลยตัวอาจารย์เราใช่ไหมครับตอนนี้ดูพระเจ้าเป็นรู่งแต่แบบแกและส้มี่ด้วยสว่างจริงๆแล้วสารภาพเลยว่า ตลอดที่ฝึกที่ปฏิบัติไรมาเนี่ยไม่อยู่เนจิตบางทีก็แอบลืมตามมาดูคุณแม่หลับหรือเล่าระ <c oughs> ยะระยะตลอดแต่เมื่อเมื่อสักครู่เนี้ยนิ่งเย็นแล้วมีความสุขมากเลยมันมันลอยจริงๆแล้วก็คอย <c oughs> รู้ใจกตลอดทั้งที่บาส่วนใช่บาส่วนไม่ใช่แต่อแต่รู้สึกดีมากเลยว่าสียงประทังเนี่ยนะคะติงต้งติ้งแล้วมันก็ดึงกันไว้ติงต้งติ้งเคลิ้นเนี่ยตลอดแล้วก็เอ แต่อีกครั้งหนึ่งที่ที่คับี่เราทำตอนท่านติต๊ก น, นัชชันมานี่นะคะก็รู้สึกอย่างเงี้ยที่ที่มันเย็นที่มันรู้สึกตัวลอยลอยแบบเหมือนกับตายจริงๆรู้สึกว่าอย่างอย่างที่เมื่อสักครู่นี้มีหลายหลายคนพูดะคะ่ะ ก็ถ้าไปห็นก็ไปได้สบายเลยชอบไปเลยค่ะไม่ต้องรออย่ต้องอะไรนะถ้าข้าจะตายอยากรู้สึกตัวเลยวพาะขนาดรู้สึกตัวไม่หลงไปกับความเปลนหรือไม่หลงกับความเยผมอยากรู้สึกตัวทีนี่พอเาฟังเนี่ยก็นุก็ดีสร้างัฒนธมหัวอไม่ได้อยู่กับความรู้สึกตัวแล้วของพยายามเป็ว่าแตอย่างเงี้ยคือตามเนื้อหาแล้วรู้สึกว่างข้าใความรู้สึกตัว แล้วมันเป็นหญิงมาตลอดถึงันั่งแล้วอาจารบอกว่ากูมันกลับมาแล้วก็มันก็นกึกว่าอ้าวเป็นเพราะว่าเจ้าไม่ใช่เป็นพ้ะจารย์เหรอไม่ได้เป็นขันแต่ว่าคือมันถึงกลับมารู้ว่าอ๋อสิ่อาณาที่เราไม่ค่อยลงตัวเนี่ยเพราะว่าเราไม่รู้ึตัวเราเป็นตัวเนื้อหาแล้วตอนนี้คือมาเตือนเราว่าเราเป็นสิ่งมีครูแล้วอ่ะแล้วเราคือจะทำสิ่ง<อ>ตั้งแตตายเนี่ย ไอ้ความรู้สึกตัวนี้มันคงจะหายคือมันอาจจะเบลอเพว่เจ็บบ้างอะไรบ้างเนี่ยของที่เพิ่มเหมือนจายเนี่ยนะคะไอ้ิวคือมาเตือนว่าห้หยุดตัวมาเตือห้หุดตื่ัว่ค่ะคือว่ารู้สึกว่าตัวเองช่วงปยานึงรู้สึกกับเสียงระคังมาช่วงที่อยู่บ้านสามนน่จะร้องไห้เหมือนกับมีคนมาเตือนเรื่องธรรมะเรื่องไเราก็เลยเริ่มไม่ค่อยได้ฟังแล้วก็กลับมาตามหลใจแล้วก็ เพาว่าใจเราของตอนที่หลวงูกติชันทายหลวง่ทายเราจะใช้อ น, นั้นมาตลอดเวลาที่คิดถึงเรื่องความตายเรื่องาตอนนี้ท่านเท่นท์น้ำตาไหล<อ>ตลอดถึงกับตบใจตัวมนกกว่าว่าว่าจริงแล้วชีวิตของเราคือคอนดิเนเรชั่ น, น, น, น, นอยู่าคะตอนนี้นะคะตั้งแต่ตัง้งแต่ถามใชไหมเอ่อตอนที่อยู่แบบคือได้ใช้วิธีอยู่กับปรวนนะอเอ่อตอนที่มันจะ ไปข้างหน้าคำถามของเจนก็คือว่าเอ๊ะถ้าเราอยู่กับรู้อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆคือประคองรู้เอาไว้ย อ, อย่างตลอดเนี่ยก็จะไปข้างหน้าเองใช่ไหมคะในกรณีที่ตายจริงๆคือเราจะไปบอกได้ไงว่าเมื่อฉันจะไปยคือแช่แช่ารนี่เป็นคำถามเชิงปฏิบัติอะไรอย่างงี้คือถ้าเรนแค่ปรองรู้เอาไว้อย่างตลอดไเรื่อยๆอย โอเคไหมฮะหรือว่าเราจะต้องมีวิธีว่าไปแค่นี่ไปไม่ไปยางไงไปข้างหน้าเลยหรือว่าอยู่แค่กับรู้โอ้เอ่อเพื่อตรวจสอบทุกอย่างเลยอะไรแบบนี้คำถามเดียวนะคะเชิญปฏิบัติส่วนใหญ่นะเรื่องเวทนาเออเจนสนใจเรื่องเวทนามากเพราะว่าปีนี้มีเวทนาเยอะเือนกันหลายจุดนะฮะารรู้เเวทนา มันดึงมันดึงที่รู้เวทนานะะแต่ดังนั้นดนั้นตอนแรกที่ดึงไปที่รู้เวถนาเนี่ยมันเป็นเวทนาเที่ยงกับกายมันถูกผิดไม่ทราบที่ที่รู้สึกว่ามันไม่ใช่นะคะมันอย่างผูกลนก็เลยดู ก็รู้เวทนาแต่สามารถที่จะปล่อยกายได้ให้เหลือแค่เวทนาเดินเดินไม่ทราบว่านี่เป็นการกระทําที่เราต้องพยายามฝึกหรือเปล่าหรือว่าเรากลับมาอยู่แค่ว่าสติดอยู่ที่แค่คือไม่น่กระทั้งรับเวทนาแต่มันไม่รับไม่ได้นะมันต้องรู้มัน ร, นรู้อันนี้คําถามต่อไปนะคะก็คําถามถา ม, ถาม สุดท้ายนะครั บ, ว, บว่ามันจ ะ, จ ะ, จะมีแบบคว่าเดี๋ยวเราจะมีการได้คุยกอีกรอบหนึงนะครับเช่น่คือเมื่อจิตเรารับรู้ได้อยา่างเดียวนี่นะในนิทานทีนั้น น, น, น, นี่ถ้าเกิดจิตเราเนี่ยตามเาสียงคณาจารย์ตามเนื้อหาทา่อาจารย์เนี่ยเราก็จะไม่เห็นกายใช่ไหคะยนอย่างเมื่อกี้เสียงหมาหอหนดูยูกัดเลี่ยนไม่รู้สึกตัวเพราะว่าอิดเงี่ยจับแต่ท่านอาจารย์อยงเดียว อันนี้เอ่อเป็นไปได้ไหมวันยุ้จะจับได้ทั้งสองฝั่งอย่างือ่จะอยู่ในกายตลอดรับรู้อย่างที่ศีว่าแล้วก็อาตุเสินในเวลาเดียวกันนี้ก็จับกับเนื้อหาทั้งหายอย่าง้ยก็เวลาเวลาป่วยหลังเนี่ยมันจะมีเวชนาแรงกล้ามากซึ่งการที่เราละประนัมเนี่ยโดยธรรมชาติจิตก็จะอ่อนอยู่แล้ว ในร่างผู้ภาคขณะที่เราปกติเนี่ยหมอสอนตอนทีไม่ขี่ยาชาเนี่ยเราตื่นได้ไะมเรารู้เด้เแล้วตอนที่เราป่วยเนี่ยคนหนักทุกเวทนามันแรงมันแรงมากแล้วสติเราออกอนแล้วเนี่ยถ้าต่อยให้จิดว่างๆเนี่ยมันไม่รู้อ่ะมันจะเข้าไปเกาะเวทนาใช่ไหม เ, เป็นการยาน้าที่ในเวลา น, นั้นเนี่ยจะคองจะจะคงความสติต้องดูแลให้มันเป็นที่ รุดไปก่อนที่ที่กำหนด<ะ>ถ้าไม่มีถ้าไม่มีเนี่ยมันก็จะเข้าไปในเวทนานะซึ่<ม>ก็อย่างที่ว่าคือขนาดเราปกติเนี่ยมอสฟอนฟไม่ฉีดยาชาเนี่ยเราก็ไม่ไหวนะแล้วทำไมยาที่เราใกล้กตายมันยึดเข้าไปอย่างเนี่ยเพราะฉะนั้นเะนีย่ยจะต้องมีที่อะไรให้แค่จิตไปกําหนดหรือยึดที่มาแรงกอก็คือความดีกุศลแรงต่างนะนั่นแหละคือคือคือคือสภาพความเป็นจริง แต่เราคนทั่วไปใช่ไหมในตอนนั้นเนี่ยไอ้ให่หลงในใจแต่ว่าหลงในใจก็จะติดขัดติดขั ด, ข ด, ข ด, ข ด, ขดหายใจแนวแพ้งกึ้อบางทีเจออะไรสายก็ไปอีกแล้วเนี่ยมันต้องมีที่ให้จอบไปกกอบหรือกำหนดเพื่อจะได้ไม่ไปไปถูกเวชนา ม, มันดูเป็นลืนไปจะดนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่้ชาเนี่ยต้องมีนะ ทานนงาเนี่ยก็อย่งที่รว่าสอนฟ้ามีขใจช้ากเสร็จในกานเพราะฉะนั้นก็เปิดตอนที่นิ่งจะตายเนี่ยไม่มีทาอการเป็นผู้เย่างเมื่อกี้ขึ้นจริฉันไปเกาะได้จานนี้ก็ไม่ไม่รู้สึกอย่างอื่นแล้วนะฮะอะนี้ตอาไปเกาะอะไรนะก็ต้องมีคิดว่าลมหใจหรือไม่ก็ลองน้อมใช้ติดของเรานี่แหละจินตนาการน้อมนิ่งไปหรืม่ก็ตามหายใจด้วยแล้วเนี่ยใช่ไห คือต้องใช้ความสามารถเฉาะตัวนะไม่ก็ม่ก็มีคนช่วยอยู่แ้วถ้าแค่ปะครองอยู่กบบไอ้สติรู้เฉยๆไม่ได้รู้อะไรนะรู้อะไรนะจะรู้อะรนะรู้นเออม่รจะพู่ารู้อะไรไต้องม่ตรู้ต้องรู้เออไอ้เจสมีอันนึงคือเจสตรู้ว่าติรู้ะจิตอยู่แบรู้อก็ต้องรู้ต้องรู้ะ คือมันจะประคองอยู่ที่อาจจะเป็นลมหายใจหรือเะไรแต่ลมหายใจมันก็หายไปแล้วก็ต้องรูเวลาไม่ไม่นะคะท่านอาจารย์เวลาเนี่ยมันจะโผลเมื่อมันเมื่อมันโผลเมื่อมันรู้เมื่อมันแรงแล้วมันควบตัวเลยนะเวลาระบบเนี่ยแต่ว่าด้านพูดถึงปัจจเนี่ยนะคะอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะเดี๋จะประคองรู้ ใชคร่อง้เราดูอย่างนี <M> ้แลมันอยู่แยกงกเนี่ยต้องต้อง้ออรู้เน่คือาด้วยไม่รู้กายก็รู้เวทนารู้เจตรู้ธรรมรู้จตค่ะถ้าไยงันก็รู้เจตรู้เจตก็คือรู้ความคิดที่ผูกไม่ใช่ความคิดค่ะรู้คารู้รู้รู้ คือมันจมันจะความคิดมันถ้าเราประคองมันไว้เนี่ยใช่ไหมคะความคิดเมเรามันจะเกิดเนี่ยเราก็เห็นมันเกิดถูกไหมคะอืมเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเราประคองก็ที่จิตไม่ปรุงแต่งค่ะค่ะจิตไม่ปรงแต่งนั่นคือมันลอยอยู่ใช่ไหมคะแล้วเวลาความคิดเกิดเราก็จะเห็นความคิดเกิดถูกครับเราประคองอยู่ตรงนั้นใช่ไหมคะทีไม่พอเวทนาเกิดเนี่ยมันก็มันก็รู้เวทนา ใอันนี้เวทนาแค่หยุ่นกะอ๋อแค่มาูเวลาที่กรเลตาเนี่ามันดีขึ้นเลยอ๋แต่มีตอนนี้มันเกิดใช่ไหคะเจ้ารย้าเจเดหยุ่นธรรมอาจรที่มันเกี่ยวมันกจะการปกครองสติอยู่เนี่ยปกครองอย่างเงี้ยใช่ไหมคะพอความคิดเกิดเราก็เห็นมันเกิดนะคะเวทนาเกิดมราก็เห็นมันเกิดนะคะก็เราคือยู่กับการปกครองอันนี้ อแต่มนระหว่าในระหว่างที่คุณจะปฏิบัติปฏิบัติปกติเนี่ยมันต้องมีอะไรที่ให้ให้ถูกไปรู้เช่นอ่ายุอยุกางเช่นถ้าเราสมมติเร า, ญญาเรายเฉยเฉยเนี่ยไม่ไม่ตามลงไปใจไม่ไม่ตึงตัอะไรเลยเนี่ยมันจะไปคุ้มซ่าแต่ถ้ามันประคองอยู่มันมันมันไม่ฟูนะใช่ไหมถ้ามันประคองอยู่เาามื่อพอคานคิดเกิดมันก็รู้ว่าคานคิดเกิด ใช่แต่เรื่องของความสมประกออะไรย้ําอวกมสมประกอบอะไรความสมประกอบรู้เนี่ย่อาจารย์ไม่ใช่ต้องู้การรู้จิตรู้เลยคืออมีสามอย่างรู้จิตสิคะรู้จิตคือความคิดมันว่ามจิตคือตัวผู้รู้ใช่มคะตัวรู้ใช่ไหมคะแต่ีความคิดเนี่ยมันเกิดเป็นการปรุงของผู้รู้ใช่คะมันเป็นก่าการปรุงของจิตถูกไหคะ ความคิดเนี่ยมันเป็นการปลุงงงงกของจิตถูกนะมใช่ไหมคะทีนี้เวลาเราอยู่กับจิตเนี่ยเราอยู่กับตัวตัวรู้อาฮะตัว a w a เน n e s s ใช่ไหมคะตอนนี้ไอ้ตัว a w a r e n e เนี่ยเราถ้าเราประคองมันเอาไว้เนี่ยมันก็จะนิ่งอยู่กับกับกับกับ awareness มออบไม่รู้จะใช้คำว่าอะไร<ม>แต่ว่าพอมันเวทนานเกิดมันก็รู้วัดเลยาะเกิด เธอรู้ว่าความคิดเกิดนี่ยมันแทจะเห็นความคิดเกิดนะะพอมันเข็นแล้วมันก็จะอยู่ถูกไหมคะหรือความเกิดเนี่ยถ้าเราปกครองมันอยู่จุดมันอยู่เวลาเกิดเน้่เราแทบจะเห็นความเกิดเกิดแลนวแล้วถ้าผมว่าเราเราเอาแววเอาความเกิดนะในความเกิดมันก็จะค่อยๆสั่นสายที่หลนพอรู้ป่ามันคือมันจับได้ถูกไหมคะตอนนี้อาการของ ตัวรู้เนี่ยเอาจิตว้หยุดจิตเนี่ยเด่นเตกพูดไม่ถูกมันเป็นกระจจดตังใช่ไหมคะมันจะนิ่งแล้วมันจะใสเดนเตกเป็นเด่นคอระยะยาวแต่ว่าเอาถูกถูกหมฮเ่าลาเราจะตายแม้ถ้าเราประคองรพยามจิดให้เราประคองอยู่แบบนี้ไม่ได้ค่ะถ้าห ใช่กืต้องรู้ต้องรู้เยอะสิรู้รู้อีไรก็ไอ้ในอรนีทำงานคือรู้มันต้องรู้มันต้องรู้อะไรทักอย่างตลอดวลาเชนอ่อรู้ค่ะเช่นเอ่อเห็นเินนภาพชุดแล้วก็มีสติการรู้คือรู้ในกระเลียนภาพชุดรู้ในภาพที่ปกฏใช่แต่มันต้องรู้เนี่ยมันไม่รู้มันต้องมี o b j ใช่ค่ะ ต้อมี o องเกิดออกมา o b j a n e s s ต้งไม่ๆเนี่ยมันมมมัน้อมี o b f ิทเกในขนั้นใช่ในขนั้นตอขณะต้องมลรองอยู่นั้น้หรือเปล่ได้อ่ เดี๋จะเวล่าจารย์แท่แทบนี้เป็นเนื่ยอาจารย์ที่มีแตาการประหลังป็นภาษาผมเรือกเป็นาระด่าสานใจ น, น, นะครับผมจะที่คุณวิทย์เนี่ยกระชั้นสั้นนะครับคุณคําถาเรื่อนะครับเรื่องประเด็นที่คุณอิงถาเป็นสิ่งที่ผมสนใจอยู่เหมือนกันผมเข้าใจว่าที่คุณญิงพูดเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะที่ว่าคนที่ปฏิบัติม่เยอะเนี่ยคงจะ มันเหมือนกับมองมองเห็นตัวเองกลับมาแล้วก็มองเห็นในสิ่งที่ที่มันเกิดขึ้นกับกายหรือว่าจิตเต่าในขนาดนั้นแล้วอีกอาจจะเป็นรักษาตัวตัวรู้ตัวนี้เอาไว้อืก็เลยก็เลยอยากรู้อยู่เหมือนกันนะครับว่าจริงๆแล้วเราไปรักษาให้ตัวรู้ที่มันมองเหมือนเหมือนกับขึ้นไปอยู่บนยอดเขาแล้วมองลงมาทา่ตัวเองอยู่ขนาดนี้ว่ามันนะมันจะไปรักษาให้ตัวรผมจะ อาการตัวมันรู้มันลอยอยู่นิมันเอายงคือมันก็เกิดแต่ว่าตัวตัวจิตัวตัวธรรนี่ทุอาไม่ส่นเเข้าไปค่ะปรงแต่งมีอย่างเงี้ยจะเรียกว่ามันรู้อูเวาด้วยเวชนารู้ไม่ก็ไปในเวชนารู้คือรู้เวชนาใช่่แต่ไม่ปรุงแต่มันนะไม่ก็ไปในเวนาถ้าเรืไปเวชนามื่อไก็ปรงแต่งมันเป็นตัณหาเนี่ยตัท้ากัหารปถามก็เข้าไป ถช่แค่รู้เอใช่แต่ว่าปกความตัวรู้เฉยๆเนี่ยคือพวามธรรมดาคว่ามันต้องรู้อะไรต้องเราถ้าไม่ไม่รู้อะไรเนี่ย ม, ม, มันต้องอ้อเดือดร้ อ, อบแบบนแย่มน่ๆเพราะในเช่นนั้นเนี่ยมันไม่เดิมันไมน่จะไปหาไปไปเฉลยแรงกรรมมาว่าต้องมาเก็บแนนทนคือถ้ารู้เนี่ยก็คืออยู่กับการรู้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็จะรู้สิ่งนั้นแต่ไม่เข้าไปอยู่ในสิ่งนั้นค่ะเช่นเช่นเสียงที่ยินเนี่ยนะคะ ก็รู้ว่ามันเสียงที่เกิดก็รู้ด้วยนะฮะว่าเป็นหมาหอนแต่ว่าเราก็กลับมาประคองอยู่ที่เอตัวที่จะรับรู้ถึจริงที่เกิดใน จ, จักรันนั้นโดยที่เราไป่เข้าไปยถือหมายความเลรับว่าเดีย๋ยวเดี๋ยวกยอดคุณยด้วยนะครับ <c oughs> ตอนหลังสุดแล้วนะครับทั้งเวลานะครับทั้งที่มีการต่อที่หนึ่งนะครับเอาเป็นว่าถึงที้นี่นะครับ <c oughs> มั้งหลังการถ่ายทำที่สกรีนหนึ่งครับว่าที่จีนเนี่ย ปกติเดิมถเป็นก่อนอาจารย์จะนาให้ผมเป็นซึ่งอาจารย์ จ, จักาผมดีค่อนข้างเยอะมากเวลานำมันก็เพราะว่าทนถูกว่าี่ั้งจะเนี่ยมันจะต้องัีผมมากตอนผมลองคำนั้นมันก็สึกมันโอหมันช่วยไเยอะมากนะครับอันที่ช่วยออันประเด็นแรกคือตอนก่อนก่อนไปนั่นงมวารกามันก็ตึงตึ้งนิดนึงแหละแต่พอ สองสามนาทีแรกพวกปุ๊บปุ๊บมันก็เริ่มจูดผิดนะครับความสับสนอะไรอย่างความไม่เคลีร์อะไรอย่างในมันมันเริ่ ม, มเริ่มเข้ามาเหนืออยู่เรื่องเป็นเรื่องที่ค่อยๆาราฝึงอยู่ครับแต่พอมาถึงจุดทั่ท่านมารุ๊บเนี่ยมันก็เริ่มผ่านไปนะครับแต่ปัญหาคือผมไว้ใจท่าด้วยนะนี่มายถึงอะไรครับก็คือเร า, าเจอตอนคุณบาอาจารเราเราก็ปล่อยหมดคือว่าลดการทุกอย่างหมดเลยในเวลานั้นมันทําให้สุ่งที่เนาพูมันมาถึงตัวผม แน่นอนก็ไม่ไม่รับประกันว่าถ้าจะพูดดีจิตอลแบร้อยทั้งร้อยพันเคล้าๆระดบที่ผมทำให้ค้ายนะครับว่าเรื่องไหนนี้ฉันไม่เป็นไรปลอดไปก่อนเรื่องไหนใช่เออเรื่องนท่นถ้าจะพูดสแกนแล็คสกิ๊ดอะไรบางอย่างะที่ไมาหยุดมาให้หมอปลอดเออปลอดนีปลอดปลอนี้ปเียปลอดซึงผมรู้สึกว่าผนงงมากผมไน่้คนเขาร่วมสร้างนะครับจนคนเขาร่วมบอกว่าอุปมนไม่ได้ทานะที่จะให้ทุกมามองคนเดียว คือปกติก็อร์ชันแบบนี้เราจะเราจะทําเป็นผงเสร็จแล้วก็ให้ดูเสร็จทุ๊บ ก, ก็นั่งกุยกันเขาก็บอกว่าครั้งต่อไปให้ให้ทำหมูไปเลยนะครับนีเป็นที่มาของครั้งนี้นะครับว่าครั้งนี้จะลองจะลองดูว่าอาจารย์ทำหมือะว่าถ้าตอนแรกท่านจะบอกว่า จ, จะดีเหรอเราอลองดูอะไรเงี้ยนะครับนี่พอทเหมูก็จะรู้ว่ามันเป็นตัวบ้านของบาง้านดนนี้นะครับต้องขอไพร์ไว้ว่ า, ววา อ, อ เพสีงีที่ที่เราพูดไม่เลยนะครับเรื่องไที่ใช่อันนั้นอนนันที่ใช่มแว่ามันมาถึงก็เคลียร์ไปอันไหนไม่ใช่ก็เม่อมีข้อต่อครับถ้มีข้อต่อไมื่อนีผมรู้สึกอย่างนง น, นะครับเอเคแล้วก็เป็นขอให้นงฝากวาท้ท่ท้ายนะครับอันไหนที่เป็นแบบสตรีแบบแบบนันว่าถ้าหายเจอก็ก็ไม่เลยนะครับชอบเมือเ่อไรเมืไปแต่ว่าเวลาคนฟุ้งๆอยู่ตอนุณจังไดวับงมากเลยนะ ท่านนี้เป็นคนบริการเนี่ยแต่ตออามอมันาผู้ป่มันเหมือนะล ง, ลงเรานเครอจับจากยอดเขาแล้วปล่อยตัวลงนี่ครับที่แรกผมว่าท่านจะพูดได้ขนาดนั้นอย่านียอันนี้ไม่ได้ชมท่านเพราะว่านันจะเป็นป็นเค้าี่ผ่าประสบการณ์ตรงวันนั้นนะครั บ, รบจนหมอสมวนนะครับหมอสมวนก็บอกว่าหมอสมัที่ไปเข้าบอกว่าเลี้ยงวัตถนะที่จะทำเพียงแค่ถ้าครั้งต่อไปเนี่ยให้ท่านทำแค่ผมคนเดียว รูส้สก่าผมก็ได้กำไรคนเดียวที่แปลว่าน่าจะทำทั้งวงอะไรเงี้ยตาหยหมัะกลายเป็นว่าท้กเทียนนี้เป่แบบว่าจาง ก, ก็ลองลองหมั่นกันแล้วก็กจะิงมว่าจะพูดยังไงให้มันสอดคล้องทุกคนนะครับขอบคุณมากครับเดายจะุกไปถะะัจากนั้น น, น, นะครับสั้นๆนะครับทีักลุ่มงา็เราดูนะแ้วเราจะฝึงโอกาสในทะ้ายสุดท้าย เดี๋ยวนะครับตอนที่จะจัวพูดเรื่องับษาที่หนึ่งอ่าขอแยกเป็นช่วงไา้ไหมครับสั้นอ๋อเก๋เก๋เจ๋งสั้นนะครับถึงจะมนี่ยการพูดต่างกันดีรช่ไมแปลไม่ได้เหรอเป็นทุกคนฮะอันีมันเป็นตัวอย่างที่ไหนเองเพราะฉะนั้นคนแล้วก็ฟังแต่อะไรที่เกี่ยวกับเราแล้วก็ฟังที่เกี่ยวกัเรา้ก็ข้ามันเปลไปไม่ได้หรอครับ คือมเข้าไอ้ให้คนมได้เลยราก็เออเองนะครับขอบคุณมากครับเอาละครับเดี๋ยวเชรมตัวนะครับครจะเข้ามาต้ีเข้านิดนึงนะครับเพราะว่ากลุจะเดือกนตปับใครับแล้วก็จับจี้จับที่เลยนะครับมอนเลยครับเดี๋ยวเอาไก่อนตอนก่อนจับที่นะครับอาจารย์นุจับคู่กันคือคนเคยนะจากการเลือกคู่ที่เราคนเคยที่สุดที่สุดนะครับ จับคู่แล้วก็นั่งใกล้ๆกันเหมือนกับตอนที่เรามาอฟโฟรสวานครับจนครับจับจับกู้ครับใช่ไหยครับใช่ไหมจับแม่เปอนชาวปาไม่นะเป็นชาวปาดี๋ยวลิ้นใช่ไห ก็คือแบบนั้นค่ะคอชมก่านโอเค เดินลงไปแต่แมงรอยคอ่ชนึาแล้วก็งสายเนียว่างนั่งะอ่ะ เรียนใหีนะครับเอเลยครับว่าต่อก็งม่นอนเลยครับก็ทีนี้เราคงจะสุดยากไม่ได้ครับเพราะมัน็นที่จะมีรายการสุดท้ายเกี่ยพีกรรสุดท้ายที่เกดอะไรบาอย่างนี่เองแล้วขอซ้ำๆนะครับนะครับถ้าแห้งนะครับในขณะที่ทสวกันที่นะครับตอนที่เราเป็นคนงาเนี่ย นะครับสการณตอนเปคนคนรู้สึกย่านตรงไหนมีอะไรงาที่เราอยากจะแบ่งปันนะครับก็เชิญสักสั้นนะครับสักคทัานเชิญครับอาได้ประสบการณ์ที่ท้าที่ถึงนะคะคือไม่เคยคิดว่าจะไปเล่นผู้ปวยที่อยู่ในภาวะที่ลบากมากๆแล้วคือเขามีธรมะมากกว่าเ สอนธรราะ แ, แล้วก็สอนสอนยาวมากแล้วก็เป็นใจพันเร็จแล้วออทีดถึงลอกตายแล้วไ่ไอะไรทีท่าที่สดแต่ก็เป็นพอคิดที่ดีว่า มีเยอะอย่างสุมากค่ะเือกช่รยบบบางทีเขากลนเราแล้วก็ําให้คำแนะนำเราได้ง่ายดีครับใครได้บทเรียนได้อะไรบางอย่างครับไหนถามครับอ่ายครับทัานที่สองเชิญครับตนี่นะครับจุกมือด้วยครับจะส่งมให้ครับทำนี้ค่ะนผู้หญิงอยาก่อนนะครับแล้วจะต่อมาผู้หญิงครับ้ก่อนเลยครับได้ ที่รังแคคุยผู้นี้แล้วก็คุยกีคนด้วยว่าเวลาพี่แมพูก็สงสัยเอยู่ดีๆป็นตเองไปไหมอยู่ดีเห็นว่้จริงๆามันต้องเยยมหลายคนไม่ได้อยู่ดีๆไปถุกท้ายเลจะตายไม่แน่เราไมัเห็นให่ก็เลยบอกว่าเอ้องระวังเหมนตัวเอวต้องเราไปเย่มมันหลายคนนะอันนีบทที่ท้ายแต่ว่า ก็โดนลูกน้องก็รู้หมดลูกรู้อะไรแล้วก็ลูกเขาบอกจปฏิบัติลูกเขาไปปฏิบัติทำด้วยเลยด้วยก็เลยรู้สึกเขาจะสบายใจแล้วกร่อที่จใจมีเรื่องปิดทางแล้วก็รับากเขาว่าะจัดการให้จะรับควาเลือแล้วก็เรืีเขาจริงบอกเอนไงรายละเอียดเดี๋ยวจะทาให้แล้วก็คือถ้ารู้จักกันยิ่งมันช่วยได้แล้วเรารู้ปัญหาของเขาแล้วเรารู้ว่าสริงที่เราพูดเนี่ยเขาช่วได้เพราะเราทาไม่ได้ คเนี่ยจะได้ารกอาจารย์ด้วยนะครับว่าถ้าเกิดเราเราเราู้แล้งเนี่ยเราจะกลา ง, าง ไ, ได้ยังไงบ้างนะครับเขาเไม่พูดเพราะว่าพูดรงกับที่อื่นพูดออกมาแล้วดีวคเชิญท้งหลัคคงครับต้รู้อ่างนี่ะีเป็นไข่นะคะแล้วคุณหมอพอจ่างนเข้ามาตอนแรกเธอจะดีมากเลยเธอเข้ามาจากคิสจอน รู้สึกยิ่งนึกวีดมากเลยอ่ะบอกจะออกไปหาลูกท่าเดียวอะไรต่อไปเนี่ยแต่ว่าคุณหมอเนี่ยคามากเลยพยายามและที่สุดเนี่ยตอนสุดท้ายเนี่ยทําท่องคุณโทรมาอีกแล้วก็ให้เรียนเรื่องอ่งความดีที่เคยทํามาก็คิดว่าเธอทำได้ดีมากเลยอืมครับตันที่สามสิบสามคี่ครับ จะจะพูดในฐานะคนแค่ไหนยังทานใช่ไหมคือคือไม่รู้จกับคุณไม่ได้เลยนะฮะไมรู้จักกันไม่กี่วันก็ไม่รู้จ้ากาวกันเลยนะเขาเล่นเป็นตัวครับเออตาคนก็ตาไปเล่นเล่นเป็นตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นก็ก็ ค่อน ข, ข้างจะยากนิดหน่อยแต่เขาก็ดีเขาก็มาแนะนำตัวแล้วก็ ค, คือทีแรกเนะี่ยยังเคยพูดกับพี่สีเนี่ยเอะว่าเวลาเราตายไม่อยากให้คนอยู่เยอะๆอะไรเงี้ย น, นะคะแล้วก็อยากจะตายกับคนผลิทสักคนสองคนอะไรเงี้ยะคะแล้วก็อาจจะไม่ต้องมีใครมาคอยพูดอะไรจะจะพอมันพูดตัวดนะีคือคืออย่างที่ขรนอาจารย์เล่าว่ามีหนุทีที่ปฏิบัติธรรมนานแล้วอยู่ดีๆก็จิดไปนึกถึงมด ก็เลยไปตกนรกเลยอะไรเงี้ยนะคะเอ๊ะถ้ามดตายตรงเอ๊ะเราก็ถ้าเราเป็นบุตชุนก็ไม่แน่ว่าแ้ามมันอาจจะกลับไปถึงอะไรเะคะพอพอเขาพูดถึงเรื่องคุณทำอะไรดีๆมาบ้างคุณดูปฏิบัติทำดีอะไรดีขึ้นขึ้นขึมันก็ตามเข้าไปเรื่อยมันก็ไม่ไม่ได้ไปถึงไอ้เรื่องเรื่องที่ไม่ดีเลยนะก็เลยในไอ้การการนำแล้วพูดถึงเรื่องเรื่องดีๆมันก็ดีขึ้นมากก่อนด็กก็ไม่ไม่ไม่ตาม แ ต, แต่เขาแนะนำได้อด้ดีดีใช่ไหมครับคืแม้ว่ามีรู้จกันเลยเ่ขาก็พูดกลางคื อ, ค, อคือรู้ว่าเาปฏิบัติาทาําด้วยกันชครับพี่ที่แรกที่ผู้างบอเลยนะคะก็พือยาพูดเอ่อยุติธรรมก็คงฟังแล้วก็คงจไม่าชา่เข้า่าเ้วไรเพราะว่าแข็ ง, ขงตัวเลยงเียอยาก็เลยบอกว่าเ อ, อ, อคาอูดที่บอกบนี่ะพูดอะไรบ้าง ก็ให้ผู้ตางนั้นก็ก็เลยก็เลยผู้ต่างนั้นก็เออช่วอก็เลยรู้สึกว่าเออไอความจริงอย่างอย่างเวลาที่ทำอะไรที่เป็นธรรมชาติเนี่ยจากไอประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยมันจะดีกว่าก็กลายเป็นว่าคนที่อนรองคอยจังกับแตก็เลยจุดที่อาเป็นคนคนนั้นเนี่ยอันนี้ก็ร้อยใจอยู่แล้วเพราะว่าอ่านร่องดีนิดห่ เป็นคนปฏิบัติธรรมแล้วนั้นที่อพูดเนี่ยมาจะพูดเรื่องปัญหาอะไรที่เอาก็เขาตัองนี่แล้วคะนี้วิธีการแก้ของที่เอลเนี่ยแก้แ่อแก้ได้จริงๆแก้ practical ก็สื่อว่าค่ะเราเวลาเรื่องเรื่องความกลัวเพราะว่าเ อ, อก็อกัวจริงๆนะว่าถึงเวลาจิตตกแล้วเวาราะทําองไงเนี่ยที่เอาก็าให้นึดถืออะไรอะไรยังไง อ, ไอแล้วอรอิ่อูกที่เอาก็อันเดียวเนาะปะ ันอความกังวลอะไรที่ค้างอยู่แถวก็เขาจะทำให้เมื่อกี้ถามอีเมลแล้วว่าที่เราเป้างกับใครอยู่นี่เดี๋ยวจะเคลียร์ให้เสร็จเรียบร้อยระเบียเนี่ยอยู่ตรงในใมาอยู่ตรงนี้แล้วถามท่านอาจารย์นิดค่ะสวทีก็เขาบอกก็เปเรื่อบเลกให้ไม่ถึงรที่บ้านเพาาสมทุนแล้วก็บอกว่าเอาทีมเดียได้ไหอันที่มาถ้ายรูมาแ้อยู่แล้วอันนั้นออกมาเมื่อไง่เอา ไม่ถึงพักมาแล้วก็พุดโธกันแล้วกันตามเนี้ยก็พุทโทๆอย่างเี้มันกสุดท้ายบอกบอกบอกไปเลย เพราะฉะนั้นเราไม่สามารถเชื่อเพราะว่าจิมันจะไปเกาะกับข้าวที่เรชอบได้แล้วก็บุดรทูตตูตุ้ยไปคือเราพูดไปแค่คำแต่นะครับผมเป็นสองท่านดท้ายนะครับสองท่านผู้ายที่ยังไม่ค่อยจะพูดก็เชิญเดี๋ยวตังคูนี่กันก่อนนะครับเราก็เพื่อนที่อยู่พ่อนรู้แต่ไม่ใช่คนที่เกิดมาติดตั้งไม่ก่อน ก็ไมอไรอะไรนั่นก็เจ้าหัวเจ้หัวมาไปแม่แต่พวกเด็กๆไม่รู้เอะไรใชหครไม่จัดตัวคือถามว่าแม่ปางงานพายเรือแลสี้าท่ขนนไม่ได้ไม่ไ้ห่วงเพาะป็ของเราของเราของเรางินไปมนนั่นเลยแต่ถ้าเขาคิดถึงแนกอจะรู้่นีของเราเนี่ยไม่เป็นไรคงเป็นสัานดุจานะครับเชิญครับมีใคอยากจะแั่งปัอีกไครับ พุกอราคุณะรมาคุณอะไรมากนอะาครมาะไมาคุณอมาอะไมาะราคุอะไรมาคุณอไรมคุณอะไรมาจุณอะไรมาคุไมาคุรมาคุะาคุณอะไรมาคุณมาุมควณาคุไมาคมาคุอะไรคอไราอไมาีุอะไราคุณนไมะไรมคาามาอมรอาุาอราอะไรอะไร ว่าสุดท้ายเนี alors, ่ยงั้นสุดทายใจก็เป็นดายนะเา็นคนเดียวเสหยดายเลยตอนสุดท้ายใจเน่ยใช้ง่ายเขเป็นคดียวแล้วก็บทที่สองเนี่ยเป็นคนธรเม้าเือะมา อ๋อท <s skeletons> ี่เขาไม้ทใเราถึงขนาไม่ยตายกคนเช่อว่็ไม่ยตายไม่ยอตายร้ยตายได้แต่ก็ไม่ยอมตายจายดิเสื่องแผู้อาะมออะไรมอมิติก็บอกหมอไนก็ได้หมยอมตายขอบคุณมากนะครับดีข้นมวันที่ตายได้เลย ถึงมว่าเขาหมดลมแล้วนี่แต่ว่าการทีนี้ก็ยังยังไม่มาเป็นจุด น, นะเพราะฉะนั้นนี่ไม่ใช่ว่าพอาหมดลมแล้วเราก็หยุดเลยบางเนี่ยก็ควรจะวรจะทำต่อไปเพราะว่าการทหมดลงนเนี่ยก็ยังไม่ร้ว่าตายสมบูรณ์หรือมจะตายสมบูรณ์เนี่ยเขาก็จิตก็จะยังร่องลอย อ, อยู่สถ า, า น, นั้นก็ได้ แ, เแ้เนี่ยการที่เราได้พูดป่าไปเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ควรทำํำจนกว่าเราจะรู้สึว่าได้ได้ว่าส่งเข้าไปในทางที่สมควรแล้วมีเรื่องของที่ของผู้อาตอมานี่ยก็ป่วยหนักแล้วก็จะได้วัต ถ้าชั่วมงสุดท้ายยงรู้ตัวอยู่มันจำใครได้ครอบครัวก็ส่วนมนต์พัน 1, จบนะเป็นภาษาจีนนะสั้นๆสวนไปไร้สักกวันจบนี้ก็สังเกตว่าก็น่งแล้วก็มาพกว่าหมดลมไปแล้วแต่ครอบครัวเองเห็นว่าน่าจะสุดทีจบพันจบ เพว่าเป็นของขวัญอาลาชิ้นท้งสุดท้ายแก่เขาก็ทำจบแล้วแล้วก็ยูรันสุภา พ, เพราเนี่ยแม่เขาจะหมดลมแล้วก่อนที่ก่อนที่เขาจะหมดลมเขากโคม่าอยู่มาสองวันก็มีกา ร, ร, า ม, กา ร, รามีการตีสะคังนเนี่ยเป็นระยะีๆเพื่ อ, อให้เขาเกิดความตื่นเพราะว่าระคํานี้เนี่ยมันสำับเขาเนี่ยคือระคังสติ นในขณะที่แอบพูด แ, แดแล้วเนี่ยแเขาบมดแล้วก็เพื่อนเปียกพังอยู่ยไปเรื่อยเป็นชั่วโมงแงน่นอนที่ว่าการที่เ้าหมดลมแล้วนี่แหลรับว่าหน้าที่ของเราในฐานะคนคนเืีนนี่จะบอกไปด้วยนี่คือโอกาสสําคัญนาทีทองเหมือนกันนะตรงนรี้องการแนะนําเนี่ยแการการ แ, แ, แนะนําบอกทางผู้ป่วยเนี่ย อย่าไปอย่าคิดว่ามีแต่พระแค่หน้าที่ที่ทําได้คานะรว่าคนรู้จักเนี่ยสำคัญเลยเพราะว่าหลายคนที่หลายคนที่ทมาเล่ามาเนี่ยในช่วงสองสมาธิผ่านมันคารวาทั้งนั้นนะแล้วก็ทําได้ดีด้วยเนีย่ยเพราะเขารู้จักนะรู้จักรู้จักประวัติความเป็นมารู้จักปมของเขาหรือว่ารู้จักความชอบหรือว่า สิ่ ง, ขงเขาถือว่าคุณค่าของชีวิตอะไรที่เราถือว่านี่คือคุณค่าของชีวิตของเขาที่เ้าให้ความหมายกับมันแล้วก็สิ่งที่เขาพูดแล้วก็เกิดความภาคภูมิใจคือและสมัยนี้ว่าเราต้องมั่นใจนะมั่นใจที่จะพูดอย่าไปลังเลยสงสัยนะมั่นใจในสิ่งที่เราพูดและมันคือเราก็ไม่บอ้พู ด, พดไปไม่ไนแน่ใจว่าลูกก็เป็นลูกเขาดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยสมาที่ว่า ลึกๆคนที่เป็นพ่อหรือแม่ก็แม้ว่าลูกเขาอาจจะในตอนที่เปกติกเขาจะไม่แน้ใจว่ลูกเข า, เข า, า, าก็จะบ่นว่าลูากฉันมันไม่ไหนนี้เนี่ยแต่ลึกๆเนี่ยเขาก็คิดว่าเขามันก็เป็นพ่อที่ดีเป็นแม่ที่ดีนะและ้วลึกๆก็เชื่อว่าลูกเขาเนี่ยก็คงจะดีด้วยแม้ว่าเขาจะช่างบนหรือ ว, ว่าอาจจะมีข้อขัดแย้งอะไกับสมาชิว่าพ่อหรือแนี่ย ยิ่งเขามีความภาผูกใจอย่างเตรงนี้ไม่มี่คือคือความบัตรของชีวิตของเขาเนะแล้เราผู้บางทีถ้าเราเป็นคนยึดติดมากเนี่ยบางทีเราถ้าเรามีวิตกิจฉานี่เราจะเราจะทำไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนื้อธรรมะเราต้องมั่นใจต้องมั่นใจที่อะพูดแล้วความมั่นใจมบรนั่นแหละทำให้เขามั่นใจด้วยแต่ถ้าเราไม่มั่นใจแล้วเนี่ยเขาก็จะลังเลไปกับเรา ก็แน่ใจมาที่ว่าเนี่ยสิ่งสําคัญแต่นี่มันคือเราไม่ได้โกหกเขาอย่งเราพูดจาก mm hmm. จากเราพูดจากเราเอาเสนออยู่ของเรพูดในตอนที่ตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องสคัญ mm hmm. แล้วก็สิ่งที่สิ่งที่เราพูดเนี่ยไม่ได้ไปต้อเป็ น, นเรื่องบุคคลนะเท่าที่เราเท่าที่เราเข้าใจแล้วก็เท่าที่เราเข้าถึง mm hmm. แล้วก็ เราเราเข้าใจแค่ไหนก็ความเท่า น, นั้นนะถ้าเราไปจำเอาเอาตำรามาพูดเนี่ยหรือเอาข้อธรรมะมาพูดเนี่ยถ้ามันไม่ออกมาจากความเข้าใจของเรามันก็จะมันก็จะแห้งแล้วมันก็อาจจะด้านได้โอเคแตน ท, ท, ที่ที่ที่ให้ทำบทแบบแรกเนี่ีก็เพราะว่าในอนาตบางทีเราก็ต้องคงอาจจะ้องมีบางครั้งที่อาจจะต้องใ น, นท้ายทีออ่รปฏิบัติธรรมมาเนี่ย เราก็อาจจะอยู่ในสาการมาสาการที่ต้องทำหน้าที่บอกทางเรื่องของเรารือคนที่เรารู้จักที่เขาไม่มีใครที่จะเป็นที่พึ่งแล้วเขาญาติเขาก็ไม่รู้เรื่องนะฮะญาติเขาล้อง ห, ห้ปลูกไฟพูดของร้านในตอนจะพันงานังงาเนี่ยบันทีพังงาเพื่อเราต้องเมือกตัแวแปลงตัวโจด้วยนะต้องไม่ไี้คือคือ้องชือ่ไ้ สิ่งล้ค่าที่สุดที่เราจะน้องเก็บเขาในวัาสุดท้าย mm hmm. แม้บางทีเราอาจจะไม่รู้จักเขาหน้าแต่ว่า mm hmm. เราก็ควรจะรู้แนวทางในการที่จะบอกเขาแนะนาเขาเ่อนมาน้เป็นคนที่มานี้ก็เป็นคนนี้ที่เป็นอเสตนะผู้่วฝ่ายซึ่ว่าถ้าเราวีก็อาจจะมีโอาได้ช่วยสเคราะห์เื่อน mm hmm. ของเราลดน้ำขอตัวยากนี้ของเขาด้วย เพว่าถ้าเราท่นนั้นเนี่ยถ้าเกิดเขาตายสงได้เนี่ยญากของเขาก็าก็จะก็จะเป็นการเยียวยาไปด้วยส่าชิกของเขาก็เลยให้คุณลองฝุดัวนี้เอกเอกแบบผู้หาวุโสแรกด้วยกามีเวลาทั้งสร้างสองสองสองสาถามนีครับคุณผู้ชมคืองูเยเขาบอกว่าเ้าเาชอบสงบสงือตัวเองเหมือกันนะที่เ็นคนชอบสงบอันน้นก็จะชอบที่คุณนิยายเขาพูดมากเลยค ไม่ใช่ม า, ามพูดได้นะะเพราะว่าจิตเขาจะพูดคือเขาจะนำให้จิตเราอยู่กับกับสิ่งที่ดีงามอยู่กับความดีงเราจเราได้แบกไปที่ไนน่นะฮะแล้วก็ให้อยู่กับพระพุทธแล้วเขาก็อยู่ซึ่งซึ่งมันดีมากเลยฮะแล้วเขาก็นั่งอยู่เป็นเพืจะตัง้งพูดไปเรือ่อยๆเพไม่เป็นเป็นเนียคือคงต้องอยืขึ้นอยู่กับบุคลิก ล, ลักษณะวิสัยของเขานะฮะพาะอย่างที่มาอาตมาว่าคือคนที่แม้ว่าจะชอบอยู่เมีย แต่ในยามที่ในยามแบบพิธีญาติกิจบางทีบางที่บบต้งองการเพื่อนน ะ, ะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยก็เรียกว่าใกลจะเสียเรียกว่าจะเสียสูนเต็มที่เลย <c oughs> ถ้าไม่มีสติถ้าไม่สนะปฏิบัติเนี่ยก็จะเสียสูนย์ไม่ต้เสียเลยแล้บางทีอาจจะต้องการความมั่นใจหรือคนที่อยู่ใกล้ๆซึขา อ, อาจจะไม่เล่นหมืมมมมอนผิวใจก็ช่วยได้ เพราะว่าญาติแบบญายากาลังโวยวายนะโกลไฟแม่นะคะเราจะทำยังไงเราไม่คิดจะเข้าไปถึงนี้เราคือเราคือเพื่อนที่จะไปนำทางเนี่ยนะคะแล้วญาติกาลังเราเห็นเลยว่าไปยื้อแขนใจนี่มันเร่นี้ต้องทำความเข้าใจท่านแตี้เายังไม่ยังไม่ยังไม่ยังไม่ปวยหนักหรือว่ายังยังไม่ก็กำลังจะตายตอนน้กี่ปารีสไปหนักเพื่อของเราหร่า ถ้าไปเหยียรังแลกขเนี่ยถึงถ้าถ้าเราไปยินก่อนหน้านั้นหลายครั้งแล้วเนี่ยก็ควรจะคุยกัเขาให้เข้าใจก่อนี่คืวาระสุดวารสุพันขอเขาแต่ถ้าเกิดว่าเราไปยนครั้งแรกแล้วก็เกิดเหตุการณ์นี้บางทีก็ยากเหมืนกันนนี่แต่ว่าเราเป็นคนที่เขาไว้ใจว่าเรามีประสบการณ์เราก็จะคดเพือสติเขาพูดเตือสติเขาให้ให้เขาให้เขาให้เขาตั้งใความสงบเพืเอี่จะทำได้นะ หรือว่าถ้าเขาทำไม่ได้เนี่ยก็าจะต้องอาาต้องให้เขาเรียกว่าออกไปนอกต้อง น, นี่หมายความว่าเขาเขาไว้ใจเราเราเป็นผู้ใหญ่ที่ควรมีสุภาวารผู้อางศมาที่ที่ปิดมาเลงเนี่ยเขาก็เขาเขาเขาเขาป่วยหนักที่บ้านแล้วเขาก็เสียชีวิตที่บ้านแล้วก็ที่บ้านนี่ยเขาก็จะมีประตูสองชั้น คือประตูบ้านนี่ชั้นหนึ่งแล้วก็ประตูห้องอีกชั้นหนึ่งนคะนที่เป็นคนธรรมดาธรรมดานี่ก็คือแค่ประตูบ้านไม่ต้องเข้ามาคุณเคยหมายก็เข้ามาบ้านได้แต่ไม่ต้องเข้าห้องแต่เพราะที่เขาไว้ใจสนิทแล้วเป็นใครยังมีทางทําเขาเขาถึงจะให้เข้าเมาือนใครจะลองไห้ก็ไปร้องไห้นอ ก, นอกห้องหรือนอกบ้านไปเลย คือจะเรียนถามเพื่อนต่างไว้เหมือนกันว่าถ้าฉันตายแล้วเธอสอคนเขา้าอยู่ใ้องและเขาก็เป็นคนชอบจะบอกเรียนเรืององืว่วาเนี่ยก็เขาก็ควรจะนำเขาที่หน่อยแล้วก็นั่งอยู่กัยเพื่อนแค่ น, นั้นก็อาตมาชื่อยก็ช่วยคุยกับเขาแล้วก็ประเมือนเขาด้วยว่าเขาเป็นยังไงแต่ว่าในความอาตมาเนี่ยในยาม น, นั้นเนี่ยการที่เราช่วยรุ่นนาเขาเ ป, เป็นริยะระยะเนี่ย จะจะดีมากเพราะว่าอย่างที่ทมาว่า ถ, ถึงตอนนั้นเนี่ยมันเหมือนกับคลื่นอายุเนี่ยใจเนี่ยแสสายมันนี่มีความสงดอยู่แล้วในในในในในความสูงเขาอ่ะคื อ, อนนมว่าเาไม่จะเ่น่จในความสูงเขาเนง่ยคื อ, คอลอยดูสารพัดเลยมันไม่มันไม่สงบแล้วนะ่ะเขาต้องการที่ยุดทีท่เขาไม่เข้าไม่ไม่ไปจิตเาไม่ไปแสสายตาม ต า, ตามคูื่นอาลงคลื่นคื่นพายุเนี้ยพายุอารมณ์นี่ก็จะมาช่วการที่เรามาอยู่ให้ขาเห็นแล้วก็จะช่วยให้ใหจิตเขามีมบเกาะบ้างมันจะช่วยทาให้เขาสามารถที่จะต้านทานกับในพายุอารมณ์ในฤดูหนาแน่นได้แต่ที่จริงก็ขอเปลี่ยนนะคะหังเสร็น่านจะพูดปกติเนี่ยนะคะ ดิฉันคิดว่าเสียงพูดของท่านอาจารย์เนี่ยไม่ว่าว่าดิฉนจะจับความหมายหรือไม่เนี่ยแค่นำนาให้หลาให้เราอยู่ให้หยุดบ้างหยุดบ้างพูดบ้างใช่ไหมคะเป็นระยะบ้างเอาละครับมีใครสุดท้ายไหมครับคำถามทิ้งท้ายท่านอาจารย์ที่จริงท่านอาจารย์ให้กับุูเกับนครที่ต้องพูดมากนะครบเพราะว่า เข้าเวลาทั่ชาตาที่ทยงคืนุกคืนตาอะเรแนี้ได้เจะรปดแล้วก็ว่านนตานถ้าเป็นนักฆ่าตายขอให้เอกหนางเอกเนี่ยให้ตายแบบนี้แล้วก็ มันก็จะกลายเป็นอะไรที่ซึมเข้าไปในอะไรคดูแล้ว้เป็นความตายของผู้ร้ายเร่องใดก็บอกนะครับอาจารหาขอเทสอาจารย์ได้ไหมคท่านพูดอย่างเมื่อกี้เนี่ยนะฮะแล้วก็แจกจ่ายพวกเราหือยังไงเราก็จะไ้เอาไปเปิดในฝัมันมันจะไม่สดนะ ไม่มีบาลามไม่มีมนแท้จริงนะจะมีมีแรงอยากจะได้เราไม่มีเด็กเพื่อนบ้านอยู่เหมือนกันนะครับก็จะว่าเอาเอาที่เธอพูดกับเล็กก็ได้นะมันอาจจะมันจะตจริงกว่าคือที่พูเมื่อกี้เนี่ยคือพูดแบบว่าคุณหมูนี่คือมันน่พูดในสิ่งที่รู้ว่าอะไรที่เปลุ่มลุ่มกัน ที่มีตัวคุณเรื่องเดอยครมอลคุยเรืคุณเรื่องมากคุณเริ่องมากคุณเร่องจึงมันคมันก็ูกบ้างต่บแต่ถ้าถ้าเสิสิ่งมันจะเจอเจอเยอะกอ่าครับเราก็คือคือที่จีบอกว่าอยากจะมีหนังที่ี่ตายอย่างเงี้ยนะคะคือไม่ใช่ที่จีจากกับบอยคือคนเก่งนะฮะเขาเคยไปบอกกับมอปีดาว่าถ้าอยากจะทำไอ้อย่างเงี้ยตห้ไปบอกเขา ที่สิ่งที่ากจะทำไม่ใช่หนังนะคะที่อยากจะทำสื่อเสียงนะคะสำหรับคนที่ใกล้ตายนะคือเป็นเพลงด้วยเป็นอะไรด้วยแต่ที่เดียนท่านวันแยกนะคะว่าที่เดี่ยนท่านวันแรกนะคะว่าอยากจะจะทำสื่อูกทงวิดีโแล้วก็ทั้งเสียง ไม่เฉลยคือเป็นเสียงบ้างพี <k <k ่คือเป็นบ้างบ้างไม่ฉากคือเสียงคเอแต่งะครกังมีคนแตอยคนเดียวเราไปคุยคนอยอ่ครับเราก็มาด้านในความสนุกิีกเู่นกัะคับอนจะสุดทา ขอัถ้ามันมีอะไรบางอยางขัดขาดเกิดนะครับก็ชี้กันไปนะครับขอไปนครับ้ามีอะไรที่ขาเกินะครับอาคุณมค่ะเก็บตัวยญชนะมาะกจะดแลสิ่ที่มน้งพุทธพิชาจะช่ยว่าอะไรที่มันยาให้ให้นะคะ ให้ให้ท่าทิการคืออะไรอะค่ะาจรจะมานทีู้นว่ะว่าก็จะอ๋ออ๋อาอาจจะได้พูดับอ่ครงเลยค่ะนี้นี้เดขอเชิญคุณหญิงสุัตราื่อนพูดขอบคุณแทนเราทนที่าขบ่้นะค่ สุดยอดอยู่ใช่ไหมคะเล็กไปนัขทุกอย่างที่เกิดขึ้นเลยงั้นก่อนน้องขอบคุณพี่ติ๋วใ่ไหมะไม่ใช่เพราะว่พี่ติ๋วไมนี้ก็ขอบคุณอาจารย์ไปีนะคที่เป็นเือนัที่เลเนี่ยทให้ทุกอย่างราบรื่นทเราได้เเยอะ มีหวังว่าสองคนนีไ้ไม่ไม่ไม่ัดข้าจังคงไม่เกลียดเกลื่อนนี้นะค่ะก็ <c oughs> คือโดนโดนเรียกร้องแล้วก็หลักวนน่าบันเนยชมคนยาชันคือสงสัยนั่นนี่โน้นและแต่ส่วนนี้คือความที่บันเนยสนิทกันะก็เลยทาให้หนึ่งนี่เป็นหนค่งที่ได้การหวังนะคะ <c oughs> ตคแต่ว่าไม่ช่วมั่นได้ว่าพ่าพวกเราเย็รู้วยเดี๋ยว่ามันมีบางคนบอกไปปฏิบัติธรรมมาตั้งาน ไม่คืนได้รับประสบการณ์อันนี้ น, นะคะอันนี้คือไม่ตัวเองด้วยนะคะวันเอ่อถ้าได้เสียวางไม่เรยหลับไม่นอนแล้วก็พวกเร า, เ, ร า, เ, ราเองเนี่ยก็เป็นคนที่มีครือข่ายเชื่กันเพื่อนแต่ละคนเนี่ยไม่หนว่าเนี่ยยินย่ล่ำหน้าไปมีแ ม, แ ม, มแ่ต่อในหมู่คนที่สนิทเราคิดว่าเอา่อ สามารถพูดคุยกันได้เพราะว่าถ้ามีวงกว้างมากก็คงไม่เหมาะสมอ่ก็คงต้องมาเริ่เกรียมคิดอะไรก่อนนะและรร้วก็กำหนดตายแต่ว่ามนหนูที่สนิทพอที่จะคุย ก, นยกันได้สักถามกันได้คุยกันได้เป็นตัวตตัวหรือว่ากลุ่มเล็กๆนี่คิดว่าหลายคนคงคิดในใจที่จะทําแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยคิดว่าเมื่อกี้ส่วนสุดท้ายท่านอาจารย์พูดเรื่องว่าบางทีไม่แน่ว่าอาจจะต้องไปช่วยคนซึ่ง ซึ่งเรอาจจะไม่รู้จักไม่สนิทเท่าไหแต่ว่าถือเราเองก็มีเองก็เราได้ทําปนั้นนะคะการที่เรียนหลักทั่วไปในที่นี้ก็พวกเราทุกคนเนี่ยก็อย่างนอมีแมวว่าถ้าคนไม่สนไม่แตะัเล้ยอยู่ดีๆเกิดบางตู้มาเกิดเรียต้องไปว่าเออกายเป็สายานักไม่ใ่ไหมมีแมวแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้คุณหมอเทียนบอกว่ารือไรเนี่ย่างที่ดีจะพูดกลางเท้าไวแล้วก็ก็ดึงดึงคนไข้ปหลักเหมือกันว่า เอ่อไม่สรงที่เจ อ, อตัวใช่แบบตรงบทพิสิทธ่ไปเพิดมากา จ, จะ ม, มีแต่ว่ามีการตรวจแล้วอยากที่ผ่าจัดการเพู่มหรือการเราต้องสังเกตในการมีคนสร้าสังเกตาสาคัญเพราะว่าเอ่อตัวบทพิสิทธิ์ก็ยังไม่ได้อยากจะสมมติว่าถึาจริงถ้าเราอันนี้แปลว่าถ้าคนู้จัดเห็นว่าอาจจะไม่ได้สมมติจริงก็ได้ถ้าไม่สมมตจริงก็อาจจะจำเป็นไม่จำไม่ว่าเขาสั่งว่า เมื่อต้องการสง บ, บไม่ทป็อะไรนะาจาับมือเฉยๆก็ไม่ไหวนะคะ ก, ก็คงไปปรับตามปัญญาตามสตานคอาจารย์ตรงนั้นนะคะมัอก็เลยดูว่าพวกเราได้ไปหะนยชน์มากๆที่ก็ต้องกรับขอบกุญแจด่านดีาจว่ามาถักอีกครั้งนึงแล้วก็ ท่านจึงเองก็เพื่ส่วนในการที่นอกจากท่านเข้าโดยน้อยท่ก็หบ่งปันปะบการก็บฝ่ายของุค น, น, นด้ยกันตอนที่บอกว่าก็จุจแลไมต้องหมดไปอนุโมทิงกัทุกคนนะคะที่ได้ช่วยทำให้ทุกอย่างราบรื่นที่สิบออตัวมากก า, มม า, ยยาั้นว่าจะราบรื่นก็จะให้มองเข้าอด้วยอะรยคตที่แท้ที่จริงแ้นแ เขาฟังไปด้วยไม่เคยทางานบ้างเลยบ้างนะคะเรามองโดส่วนตัวยงคอยไปตามพขาไม่เข้าไปตั้งด้วยบเขากเข้ามาอยู่นั่างบ้างเลยบ้างเพราะที่ก็เป็นโคกาสกต้อีสีจะจัดเอกสารติดนะะที่มีคนน้องๆเขาก็ไม่มีกแรเราชวนที่เรไม่เห็นมีคนสวนคนที่ทำความสะอาดให้สถานที่มดีอย่าสม่ำเสมอเลยนะคะก็เรต้องฝากขอบคุณด้วยขอบคุณทุกๆคนนะคะมาที่สำมะจีสุดที่ดังอบรมครันได้ ลาบล้นเรีร้อยแล้วก็ขอใครที่ต้องบอกว่าการเราต้องดุสันหันด้วยนะคะทุกท่านที่ได้อาวันต้องขอุมากมานคุณไรกที่สุดโส่วนตัวเนี่ยแอบศามิธการอย่างเนี้ยเราเราสุดเราทั้งคู่เนี่ยใช้คาว่ามือาชีพไม่ได้แล้วมือาชีพในความหมายวาอาชีพกันนะฮะแต่ว่าคนที่ทำในทุกอย่างลาบลื่นแล้วก็ไปได้ดีนะคะแล้วก็ อันุญาตมาสิ่งที่ทั้สองททั้งเมื่อก่อนในคั้งีแล้วก็ครั้งต่อๆไปใ้ทุกคนได้ปอยู่์นะคะอบอุนวนนี้ขอบุณท่านอารย์คุอบนะคะกับคุณเองขอบุญเคยและขอโทษด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่มาเข้าในวันนี้ค่ะอบอุ่นมากเลยทําให้บ้านน้ำสาย เลยกลายเป็นห่วงทำให้เด้นยึดขึ้นไปอีกทันทีแล้วรก้เปลี่ยนาจแล้วนะพูดบ้างหยุดบ้างก็ะีเหมือนกันเดี๋ยวเงียบก็ต้อก็ตเออแต่ปูยังเงียบอยู่ใช่ไหมฮะแลก็มีแานไปแล้วเราจะบอกว่าเราจะสั่งแล้วก็แผนหนึ่งแผนสองแผนหนึ่งคืออยู่ กับตเองแต่ถ้ามังไปเราไม่ไหวแทนตอันนี้เป็นทีดใครอยากเอาไปใช้ไงต้องไม่ได้ม่้มาตอนที่เราได้รู้ใครไปก่อนจะบอกเราเรามีกลุ่มชื่อกลุ่มาวประมาณ7คนแล้วพอแบบที่แบบสามห้าต้นเอ่ยแล้วก็เราพอเป็นผู้ที้ ทุกเดือนอะก็จะมันเล่นกันในเรื่องที่เราไปอ่านมาหรือไปพมอะไรกันมาเนี่ยค่ะก็เออก็สนุกดีฮะตรองๆ้อไอ้คำว่าสนุกที่ย่าจังค่ะไปทำอะไรมันสนุกไปหมดแต่จริงจริงแบ้ว ก็ได้ได้อ ไ, ไ, ไ, ได้อยากจะทำทำบุญแล้วแต่โครงการที่ท่านจะทำเจ้าประทานทำอยู่หลายโครงการแต่เลือเนเก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้แกะองรวมซองเข้ามาอยด่ในซองเดียวกันสำหรับตัวเด้วเองเนี่ยเด้นเดินเวบขอเรียนถ า, ามเจ้าการที่หลังคือาแล้วก็ แล้วก็เดี๋ยวแล้วก็ด้ทร mm hmm. าบว่าท่านต้องเป็นประธานกลุ่มผู้จัดการออเออเครือข่ายผู้จัดการแล้วก็น้องสองคนนะคะหลานไม่ใช่หลานอนะเออสองคนเขาก็ใช้เห็นต้องใช้ทั้งดัมดรีฟแล้วก็ทั้งเครื่องขยายเสียงก็เลยเออที่ขออยืมใช้อยู่นี่เป็นโซ ny แต่ว่าเราพบว่ามันมีรุ่นใหม่ขึ้นจะอีก mm hmm. ก็เลยดีที่ใช้อยู่ค่ะ ถวายจะรวมไปเลยได้ไหมอันนี้เล่นงานถวายกับท่านอาจารย์ไปเลยได้ไหคะั้องสอปากแบบน้องถวายไปได้เลยจะถวายกัครไ้เลบอกม่ามันเกินมันเกินเงินสดนะคะได้ก็เดี๋ยวให้ลงจิตใจพีอาได้ได้นะคะพอตาเดงี่ชื่ออก็รองกัี แล่ะคุณู้ชมนี่คือกล่อนี้ก็คือที่อัดเสียงะแลแลยนะคะเสียงแล้วก็ต่ารายจะยังไวเออ นี่เป็นสมุดที mm. Yours, ่ร้านชายทำค่ะเกิอะไรต่ออะไรก็เลยถวายเสียงสั่งเล่นเล่นนี้เป็นเล่งที่เขียนเกี่ยวกับต้นไม้ในในเป็นเอ็กซิบชันกับปางเลียงล้ก็เลยได้เกี่ยเอ่อสมอ ันพีราเนกสู้าสูงสุดสุดสุดสุดสุดสุดสุดสุดสุดสุดสุดสุดสุดสุดสุดสุดสุมสุดสุดสุดสุดสุดสุดสุดสุดสุดสุดสุดสุดสุสุดดส ตัวท่าจังเลยทำทำอบรมวันนี้เวลาก็เลยมาอบรบแล้วก็อันนี้เสนอห้องสมุดขัติกาค่ะเอแล้วก็เรียนท่านอาจารว่าเรากลังทำขุดมุดครูนะคะแล้วก็หัวหน้าของผู้ทำขุดมดครูนั่งตัวก็บเก่ยนี้นะคะ ดีอย่านี้แบ่งใจนดีะไรดไเอาอตัวันเหรอชันเหอเ